ไอ้ยิ่งมันหายไปไหนก็ไม่รู้มืดคามป่านี้แล้วยังไม่เห็นมันกลับมาเลยนะเนี่ยไอ้ยิ่งมันยังไม่กลับมาเลยแล้วเนี่ยยังครับพ่อพี่ยิ่งหายไปตั้งแต่เช้าแล้วล่ะครับตั้งแต่ตอนที่พี่ยิงเอาปินโตไปให้พวกพี่ๆกินตอนเช้านั่นแหละครับเราคนนอนอีกสี่คนนอนเนอยู่แค่ไม่ไผ่ฟังไอ้ยังพูดแล้วสึกจะอดกระสับกระส่ายไม่ได้จะไม่ให้น้อนกระสับกระส่ายได้ไงล่ะ ก็สายตาข้อเจ้าลงมาอย่างเราซึ่งลองเล่นอยู่เหมือนก็ว่ามั่นใจว่าเป็นตรีมือของพวกเราที่ทำให้ยิ่งมันหายตัวทำไมพ่อถังคิดอย่างนั้นด้วยล่ะจะมองพวกเราในแง่ดีไม่ได้เลยไงโถ่ แล้วหรือเปล่าพ่อโทรไปสิพวกข้าไปยอมสัอย่างจะมาทำอะไรพวกข้าได้แล้วอ้าจริงของใหญ่เนาะใช่ใช่ช่พวกข้าเน่ะไม่มีวันยอมรับหรอกนานี่ว่าพวกข้าน่ะเป็นคนกําจัดไอ้ยิ่งมันเหรอเฉยเว้ยเ้ตาตางพ่อจะเอาเรื่องพวกเราแล้วนะเว้ยอย่าปอดแหนกไปเลยนะยศพ่อไม่กล้าพีีพรามทาอะไรหรอกหน้าเพราะถ้าพ่อไล่พวกข้าแล้วก็ไร่นางพ่อมันมีใครช่วย ทีนี้พ่อเดือดร้อนแน่แต่ว่าพี่เยี่ยมพ่อรักไอ้ยิ่งมันมากนะนะรักก็รักไปซิตอนเนี้มันก็ไม่อยู่แล้วนี่รักให้ตายก็ทําอะไรไม่ได้แล้วเถอแน่ใจนะพี่นะแน่สิปะหอดแหกหรือไงฮะก็ก็วันวันอยู่เหมือนกันกลัวพ่อจะรู้พวกเราจะสวยนะเว้ยไม่ต้องพูดแล้วไอยมไม่ยงมึงก็ไม่พูดพี่ใหญ่ก็ไม่พูดข้าปิดปากเงียบพ่อจะรู้ได้ยังไงฮะใช่ใช่ถูกต้อง พ่อไม่มีวัรู้เด็ขาดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องปิดปากให้เงียบที่สุดใช่วหเฮ้ยไอ้ยัยไอ้อ้วนนั่นไง พ, นนพ่อต่โกนถาม้นได้สิดาเถอะรักลูกเบียนเสื้อเกิน ได้ยินข่าเยรือยังไหมล่ะฮะได้ยินพ่อไอ้เองครับพวกเอ็งเห็นไอ้ยิงมันมั่งไหมฮะไม่เห็นเลยก็ไอ้ยิ่งมาเอาบิณโตไปให้พวกเอ็งกินตอนเช้าไม่ใช่เหรอใช่พ่อแล้วไงกระดานศิลปะไงอ่ะก็มันเอาข้าวไปให้เราใช่ไหมแล้วมันเดินจากไปอไปอยู่กับพวกเราดูวยทีไหนเราพวกเราก็นึกว่ามันเดินกลับบ้านแล้วนี่ในเช้ามยังไม่กลับมาอีกเหรอพ่อยัง แล้วมันหายหัวไปไหนอะพ่ อ, อข้าจะไปรู้ได้ยังไงละวะรู้ก็ไม่จะโกนถามพวกเองแบบนี้หรอกพวกเจ้ก็ไปรู้เหมือนกันไอ้ยิ่งไปไหนมาไหนมันไม่ค่อยจะบอกพวกฉันซะด้วยอะแล้วนี่มันหายหัวไปไหนของมันละ ว, วันนี้แล้วพ่อจะทําไงถ้าเกิดไอ้ยิ่งมันหายไปจริงๆอะข้าก็ต้องไปแจ้งความเลยชิวะแจ้งความ<ะ>แจ้งความ<ะ><ะ>พ่อแจ้งความเลยเหรอก็เออชิวะถ้าหายไปทั้งคืนแบบนี้แล้วก็ ขา้าต้องแกงความแน่นอนแต่ว่าพ่อครับอะไรเอ็งมีอะไรเหรอว้าวว้าวไอ้บีอะไรเข้าไปบีพวกเอ็งออกไปตามหาหยิงทีสิโอพ่อแจ็คพวกผมไปตามมันที่ไหนเหล่าพวกโถ่ที่ไหนก็ได้หาทุกคนทุกแห่งในหมู่บ้านน<แ>ี้เลยะพ่อหมู่บ้านเราใหญ่นะพ่อนะแล้วพวกเอ็งจะไปไหมอ่ะทําไม่ไปไม่ต้องกินข้าวนะออโอ้ ผิดก็พวกเราหลวงพ่อเนี่ยฮะไอ้ยิ่งมันไม่ยอมกลับบ้านมันอาจจะทะเลทไลายไปไหนก็ได้ดีนาจะไปบ้านเพื่อนมันก็ได้อะโพอเองจะไปตามหาน้องไหมข้าถามแค่คําเดียวจะไปไหมไปก็ได้เออ <c oughs> ก็แค่นั้นแหละไปตามหาให้ทั่วนะถ้าหาไอ้ยิงไม่เจอคํานี้ไม่ต้องกินข้าว <c oughs> โพอ <c oughs> เราจะไปตามแม่ยิ่งที่ไหนจะต้องไปตามให้เมื่อขาทํางไปเล่านั่นนะสิก็รู้อยู่แล้วว่าหายไปไหนอืมแล้วจะยังไงดีะพี่เยี่ยมไม่รู้เว้ยอ่ะไม่หมายความว่าเราอดจะไม่คืนเนี้ยมันจะไปกลัวทำไมไวะยศอา้าวเรายังไม่ได้กินข้าวนะพี่นาะไม่กลัวได้ไงท้องร้องแล้วด้วยนันนี่อ่ะแล้วส่วนแบ่งไปไว้หไหนอือฮะ ฮะอะไเออไดพ้พี่ยงก็ได้พี่เย่พี่เยี่มก็ได้พี่ยงก็ได้ออแล้วพี่ใหญ่ก็ได้เหมือนกันเออก็นั่นไงพวกเราทุกคนได้ส่วนแบ่งมีเงินในมือกลัวอะไรวะกี่แค่มือข้ามมือเดียวกลัวทำไ ม, มนั่นน่ะสิไม่ต้อกลัวเลยใช้พี่เยี่ยมร้านค้าปิดหมดแล้วนะเราจะไปหากินที่ไหนนะฮะจริงด้วยพี่ ต่อให้มีเงินก็ไม่มีประโยชน์ อ, อดแน่คืนนี้พวกเองนี่มันงี่เง่าจริงยังไงอ่ะพ่อเขไม่โหดกับลูกๆขนาดนี้หรอกพ่อเขาก็พูดไปอย่างนั้นแหละเออนี่พี่ใหญ่เอาไงตอบไปดีก็อยู่ันฐานนี้ไปก่อนนั่งสักพักใหญ่แล้วค่อยกลับไปบอกพ่อว่าห า, ายิงไม่เจอพูดกันตรงไปตรงมาก็อย่างนี้ดีเหมือนกันพวกเองนั่งแถวนี้ก่อนนะ หรือจะเดินเตยเตยแถวนี้ก่อนก็ได้ได้ได้ป่านเนี้ยไอ้ลูกเมียน้อยอ่ะมันคงจะเหนื่อยสายตัวแทบขาดแล้วส้นน้ำหน้ามันเสื้อมากวนบาท้ายเอ็นว่าช่วยไม่ได้ใช่พี่สันะใช้งานมันตายแน่งานนี้ใช้งานอ่ะไม่เป็นหรอกนะแต่พี่สันมีเงินมันรวยไม่ใช่เหรอพี่สันมันรวยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับไอ้ยิ่งเลราเกี่ยวสิยังไงพี่สันอ่ะ ก็ต้องแบ่งเงินให้อายิ่งมันใช้อยู่แล้วเอาอะเจอพี่สันาหลายก็ถามว่าเองก็แล้วกันอายิ่งมันเป็นยังไงบ้างถามทำไมก็ถามนะาขายมันให้พี่สันไปแล้วเนะี่ยพูดไปมันก็ตกเป็นทาสของพี่สันไปแล้วพี่สันก็คงจะไม่ให้อะไรมากมายแล้ววะไอเนี่ยมันต้องตรากรากรรมงานหนักแน่เลยคิดแค่อดสัต์ใช้ไม่ได้ <laughs>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 ฉันเพลินบางงานฉันถามเธอไปเธอก็ไม่ต้องตอบฉันเลยและฉันคนนี้ก็มีที่พลาดใส่ว่าชีวิตจะดีจัง่าสักเท่าไหร่ไม่อยากให้ท้า มันไม่น่ารู้เท่าไรไม่ใช่เรื่องจำเป็นของเราวันวานยังคืนย้อน ม, มาไม่ได้และวันพรุ่งนี้ยังไม่รู้แต่ฉันพร้อมจะอยู่ฉันพร้อมจะตายเพื่อรักคำเดียวไม่ว่าเธอจะเคยเป็นใคร d o d i s o u e r o n u ฉัน ฉันสดใสและสวยงาแต่สิ่งที่ฉันเห็นจะเธอในวันนี้เธอบอกกับฉันฉันคนที่ไร้ความหมายจากนึ่งเองก็เข้าใจ ใครทำใจเธอไม่เหมือนเดิเธอพูดให้ฉันเชื่อว่ารักฉันหมดหัวใจเธอบอกว่าเธอนั้นเองไม่มีใครเธอให้เชื่อยอย่างไรก็การประทำ ว่าไม่หัวใจ ส, สายตาที่เคยให้กัน ฉันไม่รู อย่าพิงยอแพ้ก้าวเดินต่อไปอีกไม่นานตะวันจะขึ้นมาสาดแสงสองทางให้เห็นจะเห็นถ้าเพียงแค่ลืมตา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 Not afraid, not w e คำคืนคือคลางกลับมาถ้ายังหลักตาไม่กล้าเผชิญอย่ากลัวหากว่าลืมตาจะตื่นขึ้นมาแล้วพบกันแสงที่กำลังหมดกับ ด, ดวงตะวัน เช่นรถ้าหากกลุไม่ยอ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 พูดว่าอะไรนะอ๋อพ่อครับ <นะ S 1> พ่อฟังพวกผมบังสิทครับเอ็งมีเหตุผลอะไรก็ว่าไปใหญ่พวกผมจะตามหาไอ้ยิ่งมันจนทั่วแล้วนะพ่อนะแต่ไม่เจอจริงแล้วพอจะผมทํำยังไงแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงวะไอ้ยิ่งมันหายหัวไปได้ยังไงมันไปแล้วแต่ผมมั่นใจนะพ่อเอ็งมั่นใจอะไรเยี่ยมก็มั่นใจว่าไอ้ยิ่งน่ะมันตายไปแล้วฮะไอ้เยี่ยมนี่อ็งพูดอะไรอะ ไอ้ยิ่งมันจะตายได้ยังไงแล้วเอ็งมั่นใจได้ยังไงละวะก็นี่ไงพ่ออะไรของเอ็งวะะแล้วนั่นมันถุงอะไรของเ อ, งอ็งเนี่ยก็เสื้อผ้าของไอ้ยิ่งไงพ่อเสื้อเหรอจ้าเสื้อตัวนี้ไอ้ยิ่งมันใส่ตอนเช้าตอนไปโตไปให้พวกเรากินผมจําได้นะผมยังถามมันเลยว่าเสื้อที่มันใส่ในใครซื้อให้มันบอกว่าแม่มันเย็บให้ลูกยิ่งของแม่นี่เสื้อของลูกยิ่ง ข้าเป็นคนเย้เให้ลูกเองเหรอพ่อเองยิ่งมันเป็นยังไงบ้างลูนี่เอพ่อเองข้าเป็นห่วงไอ้ยิ่งมันหลือเกินไอ้ยิ่ง้แล้วนี่เสื้อของมันขาดวิ่งขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยลูกยิ่งของแม่ พี่ยิงตายรึเปล่าตายเหรอเย็นครับพี่ยิงอาจจะตายแล้วก็ได้ไม่อะมันเป็นไปไม่ได้ไอ้ยิ่งต้องไม่ตายพ่อเองให้ใครไปตามหาอีกทีสิใจเย็นก่อนแม่เองเอ้ยนี่มันก็มืดค่าไปแล้วนะจะให้ไปตามหาที่ไหนกันล่ะเนี่ยลูกยิ่งเป็นยังไงบ้างล่ะเนี่ยอ <c oughs> ไม่ต้องเสียเวลาตามหาแล้วล่ะพ่อยังไงผมก็เชื่อว่าไอ้ยิ่งนะโดนฆ่าตายไปแล้วละ่ะ ฆ่าตายก็ต้องมีศพสิโว้ยแต่นี่ไม่มีอะไรเลยนี่หว่าโอ่พ่อไอ้พวกจอมันอาจจะลากศพเอาข อ, อายิ่งเนี่ยไปโยนทิ้งในป่าให้สัตว์ป่า ก, กินไปแล้วก็ได้ไอ้ยอดมันพูดถูกนะพ่อนะป่าเ น, นี่ศพไอ้ยิ่งอาจจะไม่เหลือแม้แต่กระดูกแล้วก็ได้พ่อตามใจเฮานะเห็นเสื้อผ้ า, อายิ่งมันขาดวิ่อย่างเงี้ยอาจจะโดนเสือตะครุบไปกินก็ได้ผมว่าหรือไม่ อาจจะไม่ใช่โจรห้าร้อยที่ไหนหรอกต้องไปเสือนแน่ๆเลยอะ่ะยิงลูกแม่แม่พี่ยิ่งตายแล้วจริงๆเหรอนี่ททำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะผมไม่เชื่อต้องเป็นฝีมือของพี่พี่แน่นอนเ้ยเย็นเฮ้เนเฮ้ยเย็นพูดอะไรมาหมาแบบนี้ว้เย็น หรือมันไม่จริงแล้วพี่เยี่ยมไม่จริงว้ยพู้ฆาเมทําอะไรอ่ะใช่ทำไม่จริงจริงพี่ก็สาบานมาสิว่าถ้าเป็นเรื่องจริงขอให้พวกพี่พี่ตายหองตายค่ะในสามวนเดวันนี้ไม่ไ้เย็นเย็นันเลยว่าไงพวกพี่พี่กล้าสาบานหรือเปล่าล่ะไอเย็นไอเย็นมันจะมาไปแล้วนะไอ้น้องก็สาบานมาสิสาบานสาบานสาบานสิไอเย็นพอพอไม่ต้องพูดแล้วทําไมล่ะมม่ เราต้องรู้จักให้อภัยลูกให้อภัยเหรือมะแต่พี่ยิ่งหายไปทั้งคนน่ะแม่จ้าวาต้องทรงคุ้มครองพี่ยิ่งของลูกแน่ๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเพรจ้าส่งสอนให้รู้จักให้อภัยต้องไม่เคืองแค้นใครทั้งนั้นธรรมะยังไงก็ต้องชนะอาธรรมเขาสักวันหนึ่งแหละเชื่อแม่เถอะเออพ่อแล้วนี่พวกเรากินข้าวหรือยังอ่ะพผมหิวจะแย่ยแล้วละ่ะ ว Finished. พวกเองไปตามหาไอ้ยิ่งใหม่เจอแล้วก็คืนนี้อดบวยพ่อพมาลงโทษพวกผมแบบนี้ไม่ได้นะพวกผมเองเป็นคนทำให้ยิ่งมันหายไปสักหน่อยมันตายของมันเองอะ แล้วพวกผมอ่ะเป็นคนฆ่ามันก็เป็นอย่างหนึ่งพ่อเนี่ยรักไอ้ยิ่งแล้วพ่อไม่รักพวกผมหรือไงพวกเองเลิกพรากกันได้แล้วนะป่าป้ปจะไปนี่ไหนก็ไปกันได้แล้วข้าไม่อยากจะเห็นหน้าพวกเองแล้วล้ยไปพ่อไปสิ้ยไปเพราเราพ่อไล่แล้วอยู่ทำไมล่ะตัวอยู่เพื่ซงเหรอฮะไปเ้ยไปลูกยิงของแม่ แม่พี่ยิงตายแล้วจริงๆเหรอทำไมพี่ยิงต้องตายด้วยแล้วแม่แต่ข้าไม่มีวันเชื่อเด็ดขาดแค่เสือ้อขาดตัวนึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าไอ้ยิงลูกขาดตายไปแล้วหรอกข้าไม่เชื่อหรอกว้ยไอ้ยิงมันต้องไม่ตายพ้วเจ้าต้องคุ้มครองลูกยิงของขา้าพระเจ้าจะต้องดูแลลูกยิงของขาอ้ายางแน่นอนข้ามั่นใจนะ ล, ลูกของพ่อเอ็งอยู่ที่ไหน้ววะเนี่ย ข้ขอภาวนาให้พระเจ้าทรงคุ้มครองให้เองเนี่ยได้ดิบได้ดีสักวันเถอะอเมนโพอพระเองแม่ผมต้องคิดถึงพี่ยิ่งย่าเลยอยู่ๆพี่ยิ่งก็หายไปแบบนี้เอ้าเดี๋ยวลูกยังไงพระเจ้าก็ทรงดูแลลูกยิ่งแน่นอนไม่ว่าลูกของพระองค์ท่านจะดีหรือจะเลวพระองค์ท่านก็ดูแลเป็นอย่างดีสอนสั่งให้ได้ดีทุกคนนะลูกนะ อย่างอย่างที่พ่อเองบอกนะไอ้เย็นป้เอาข้าวไปให้พวกพี่ๆเองกินเถอะป่าเนี้ยคงหิวตายแล้วหระมะแต่ว่าแม่ฮะไปสิเย็นพวกเขาไม่มีความผิดอะไรด้วยถึงจะผิดเราก็ต้องให้อภยัยไปสิลูกก็ได้ครับแม่ผมจะยกกลับข้าวไปให้พวกพี่ๆกินเดี๋ยวนี้แหละครับแม่พ่อเองเขาวินนี้เขาจะอยู่ ย, ยังไงอ้ยงตายแล้วเนยะ ยังรกยังไม่ตายยังไงไอยิ่งมันยังไม่ตายลูกแม่เ อ, อ้ยคุณได้รับข้อคิดอะไรบ้างจากละครที่จบไปนี้โปรดเขียนข้อคิดของท่านโดยทางไปรษณียบัตรโดยจดหมายมาหาเราได้ที่ตูปนอสิบเชียงใหม่